พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงยิงที่เคยอยู่ร่วมกับชายคำว่าตลอดสองปีคือสิน้นสองปีที่ชื่อว่ายังไม่ได้ศึกษาสิกขาคือภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ได้ให้สิกขาหรือให้แล้วแต่เธอทาขาดคำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมุิสีมา จบยะติต้องบำบัดทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องบำบัดทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษณีผู้เป็นอุปชาต้องอำบัดปาิจิ ต, ตีคณะและอาจารย์